ค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกของเราไปคนก็สนใจศาสนากันเยอะแยนะแต่ก็น่าเห็นใจอย่างจะศึกษาธรรมะนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะธรรมะมีเยอะเหลือเกินนะเยอะแยะไปหมดเลยตำรับตำราก็มากมายนะแค่พระไตรปิฎกก็ต้องเยอะละหลายสิบเล่มอรตถกาถาอะไรตอนอะไรเยอะแยะไปหมดนะ จะศึกษาออกมาว่าตรงไหนเป็นแก่นที่ว่าถ้าจับหลักตัวนี้ได้แล้วเข้าใจทั้งหมดไม่ใช่ง่ายการปฏิบัติก็เหมือนกันสำนักปฏิบัติต่างๆมีอยู่มากมายเยทุกคนก็อ้างอิงพระไตรปิฎกได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนก็อ้างบอกว่าทำสติปัฏฐานทำวิปัสนาอ้างได้ทุกคนแต่คำสอนที่หลากหลายเนี่ยอะไรเป็นแก่นของมันนะถ้าเราจับแก่นได้เนี่ย ก็จะเข้าใจธรรมะได้ทั้งหมดจริงๆแล้วหัวใจนะสิ่งที่เป็นกุญแจของการปฏิบัติที่จะไขเราไปสู่ความเข้าใจเปิดประตูของความเข้าใจในธรรมะนะัคือความรู้สึกตัวไม่ว่าเราจะปฏิบัติ ด, ด้วยกรรมฐานชนิดใดนะก็ต้องทําด้วยความรู้สึกตัวถ้าขาดความรู้สึกตัวสิอย่างเดียวเนี่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 เมื่อเราเราปีสี่สามนะหลวงพ่อมาที่นี่ตอนนั้นยังเป็นคราวาสหลวงปู่เหลียญยังมาเทศอยู่ตอนนี้ท่านไม่เทศให้เราฟังแล้วนะแต่ท่านนอนให้เราดูอนนี้ตอนนั้นก็มีคราวาสเนี่ยชอบมาช่วยโอกาสตอนที่หลวงปู่ชันอาหารเนี่ยจะมาถามธรรมะหลวงพ่อวันหนึ่งก็มีคราวาสคนหนึ่งนะเดินดุยดยมาถามหลวงพ่อผมชื่อสุรวัต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 ไม่คล้อยตามคือหลงไปแล้วก็ไม่แทรกแซงเข้าไปบังคับกดขม่มเนะี่ยตัวนี้เป็นภาวะเรื่งจิตจะเดินปัญญาที่แท้จริงนะสิ่งเหล่านี้ฟังดูเหมือนยากแต่ทั้งหมดนะั้นมาจากเริ่มต้นด้วยการรู้สึกตัวไว้งั้นความรู้สึกตัวนะัเหมือนลูกกุญแจนะมีกุญแจดอกนี่เราจะไขเปิดประตูออกไปสู่ความรู้แจ้งได้ถ้าไม่มีกุญแจแห่งความรู้สึกตัวนี่จะไข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 บางวันจิตใจหรือบางขณะจิตใจเรายึดถือในความคิดความเห็นอย่างรุนแรงนี่พวกอสุรกายพวกที่เซลล์จัดยึดถือในความเห็นจัดจัดนี่นะพวกอสุรกายนะพวกนี้ไม่ค่อยรับส่วนบุญส่วนกูสนอะไรกับใครหรอกนึกว่ากูแน่กูหนึ่งเสมอแหละนี่พวกอสุรกายไม่รับส่วนบุญพวกเบลดึงจะรับส่วนบุญนะ หรือบางคราวจิตใจเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเราไปเสำรวจพบที่มีความทุกข์ก็คือจิตใจเราตกนรกตั้งแต่ตัวเรายังไม่ทันจะตกมาคราวเราก็มีความสุขเราทําบุญทํากุศลจิตใจเรามีความสุขเราก็อยู่ในภพของเทวดาบางคราวเราก็ทําใจเข้าถึงความสงบเงียบอยู่ภายในเราก็ไปอยู่ในภพของผลมเนี่ยจิตใจของเรานะหมุนเวียนไปเรื่อยๆบางคราวก็หลงใจลอยไปนี่เป็นภพของสัตว์เดรัจฉาน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 หลวงพ่อชับพูดเรื่อยว่าง่ายนะง่ายนะเมื่อสองวันเนี้มีพระลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทางยีสานครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ใางยิสานองหนึ่าางท่านไปที่หลวงพ่อท่านไปเรียนกับหลวงพ่ออยู่ท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยท่านเอานักสือของหลวงพ่อนะไปให้ครูบาอาจารย์ของท่านอ่านครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยกับที่หลวงพ่อประโมทเขียนทุกอย่างเลยเห็นด้วยทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียว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 คนในโลกไม่สนใจที่จะเรียนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานนะได้ยินเรื่องเจริญสติปัฏฐานก็้ยังค้านอีกนะอย่างเป็นต้นบางคนก็มีทิฏฐิบอกว่าก่อนจะปฏิบัติต้องทำอัปปนาสมาธิให้ได้เสียก่อน <Okay. S 2> ถ้าทำอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วชาตินี้เข้าใจผิดนะเนี่ยครูบาอาจารย์องค์นท่านก็เล่านะครูบาโนศรท่านก็มาเล่าบอกว่าอาจารย์ท่าน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 หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ช่างถามนะไม่ค่อยถามหรอกไปเรียนท่านบอกให้ปฏิบัติก็ทําเอ า, นะ บ, าบางคราวที่ท่านสอนนี่นะงงเลยนะงงท่านสอนแค่ไหนก็แค่นั้นอนะอย่างบางคราวนะเคยไปถามอจารมหาบัวนะท่านก็บอกว่าให้ภาวนาเนะี่ยเราก็ภาวนานะหรือหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตเอาเราก็ดูจิตเอา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 อา้าวใครจะถามมีไหมหรือยกเลิกไปหมดแล้วอ๋อมีจนได้เหรออ้อาวคนนั้นเสียสละไม่เอาเลยนะกลับมาที่การหลวงพ่อค่ะลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ลูกได้ปฏิบัติเงี้นี่มันถูกหรือเปล่าตอนนี้ยังสับสนคำว่าดูจิตแล้วก็สติอะไรเงี้ยนะคะโยมลืมคำว่าปฏิบัติซะ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 ไม่ทราบว่าลูกนี่ตื่นมันตื่นมันตื่ น, น, นง่วงเงียืออาการที่ว่าเวลาตื่นเนี่ยเวลาเลยนะตื่นเนี่ค่พะพอเวลาปฏิบัติขึ้นมานะคะขณะเนี้เหรอค่ะเออมันกดไว้น ะ, ะแล้วจิตมันมีโมหะเข้าแทรกมันมู่มัวค่ะแล้วพอตัวคิดมันคิดตลอดนะคะคิดซ้อนขึ้นมาตลอดเลยค่ะจิตมีหน้าที่คิดจิตคิดตลอดเวลาถูกต้องแล้วใช่นี่ดีใจด้วยนะที่ไม่ได้เป็นต้นไม้ค่ะไมเป็นใจ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 ไปถึงไหนแล้วเชวิญการไม่มารการพ่อค่ะเต้ตนเ ต, นต้นนิดหน่อยอมไม่เป็นไรนะเพราะว่าฟังคำถามคนนี้คนนี้แล้วเก็บจะลืมคำถามตัวเองอพี่จริงๆอยากจะให้พ่อดูว่าตอนนี้จิตตื่นหรือยังค่ะอย่าไปกังวลเรื่องจิตตื่นนะเวลาที่จิตตื่นเนี่ยตื่นทีละแว็บเดียว เวลาที่เราหลงไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตแค่จะตื่นขึ้นมาแวบเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะหลงไปคิดใหม่นะอย่าไปกังวลเรื่องจิ ต, ตเป็แบบนี้มันเผลอนานนะเออเผลอนานก็แสดงว่าตื่นน้อย <S <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าถ้าถ้าเผลอบ่อยๆใช่ไหมเผลอบ่อยๆก็ตื่นบ่อยๆ <S <S เผลอไปแวบหนึ่งรู้ทันแล้วว่าเผลอไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาทีหนึง่งรู้ไม่เคยทันยมบริกรรมไว้ก็ได้นะ ท่องพุทโธไปก็ได้หรือสวดมนต์ก็ได้สั้นๆไม่ต้องยาวนะไม่ถนัดชินบัญชรอะเลยาวไปอาจจะแค่ละหัง่งซ้ำมาอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆเวลาเราสวดมนต์เนี่ยแล้วก็เราก็คอยรู้ทันใจของเราพอเราสวดมนต์แล้วละหัง่งซ้ำมาจิตไหลไปนอกบ้านแล้วแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดซ้าพุทโธพักวาเอาหนีไปอีกและรู้อีกว่าจิตหนีไปการที่เราหัดรู้ทันว่าจิตหนีไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาจิตหนีเนี่ยนะสติจะเกิดเร็ว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 ดูเวทนามาดูเวทนาก็ได้นะยมรู้เวทนาไปสังเกตไหมเวทนาไม่คงที่ <c oughs> นะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาใช่ไหมเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มา <c oughs> อีกลหลุดไปหรือไม่ก็ลืมมันไปตรงที่ลืมมันไปเนี่ย <c oughs> ก็ให้รู้ทันว่าลืมไปแล้วตรงนี้หลงไปลนะเพราะนเวลาเรารู้เวทนาเราเอาเวทนาเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ เราก็รู้เวทนาไปเราก็เห็นเลร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตซึ่งเป็นคนไปรู้เนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งนะเวทนาเองก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะจิตใจของเราเวลาไปรู้เวทนาถ้าเวทนาแรงใจเราก็กระสับกระสายขึ้นมาเราก็เห็นว่าจิตกระสับกระสายนะหรือดูเวทนาสักพักหนึ่งแอบไปคิดเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานอะไรอย่างนี้ก็รู้ทันอีกจิตหนีไปคิดแล้ว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 ถ้าพบอย่างนั้นนะก็คืออย่าสงสัยเลยโยมปฏิบัติไปเถอะพอพบอย่างนี้ส่วนมากจยคืออย่างนี้ปัญหาของโยมเนี่ยนะคือจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดมากมันคิดคิดคิดไปเรื่อยให้โยมมารู้ทันใจที่แอบไปคิดนะโยมฝึกตัวนี้เพิ่มขึ้นนะ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 แล้วสักพักอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเฉยๆเฉยๆเสร็จแล้วก็ม um> um> ันก็กลับมาหงุดหงิดแบบนี้ก็ดีแล้วเนี่ก็ให้รู้ไปใช่ไหมก็รู้ไปนะคนขี้โมโหภาวนาง่ายเพราะอารมณ์โกรธนี่ยเป็นอารมณ์ที่รุนแรงดูง่ายที่สุดเลยนะอารมณ์หลงอารมณ์รักอะไรนี่ดูยากกว่านะงั้นถ้าเป็นคนขี้โมโหนะจิตมันโมโหขึ้นมาดูไปสังเกตไหมความโมโหมีหลายดีกรีใช่ไหมมีตั้งแต่ขัดใจเล็กๆ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 เวลาจะภาวนาก็คิดถึงแต่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่ฉลาดเข้ามาเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามว่าฟีหนึ่งจับกุ้งกี่ครั้งไม่กี่ครั้งนะเอาแล้วเวลาที่เหลือไม่ได้ฆ่ากุ้งไปคิดทําไมเวลาที่เหลือทําคุณงามความดีไปสิถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนไปแต่มันยังเปลี่ยนไม่ได้อยู่มันเป็นอาชีพในบ้านพ่อแม่ทํามาอะไรเงี้ยยังไม่รู้จะหนีไปไหน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 เ, เวลาทําจิตให้สงบก่อนที่จะปฏิบัติให้รู้สึกตัวนะคะจะท่องพุทโธแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกดข่มให้รู้ทันว่ากดข่มพุทโธเล่นๆไม่กดข่มคราวนี้ลูกเลยไปหาหาวิธีสังเกตตัวเองแล้วก็ท่องอิติปิโสพุทธคุณห้องห้องแรกนะคะแล้วรู้สึกว่าจิตมันไม่แน่นไม่หนักไม่แน่นไม่ทราบว่าอย่างนี้จะถูกต้องนะท่องอะไรก็ได้นะ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 ใส่เขามองนั่งตะกี้ตรงคุณมนมากไปหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยลูกมีความรู้สึกว่ารู้สึกไม่ชดัดโดยไม่ทราบว่าเอะเราคิดหรือว่า ย, ยังอยากรู้สึกอยู่นะให้เผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าไหนรู้สึกซิรู้สึกซิย่งไม่รู้สึกหรอกอย่าอยากรู้สึกนะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม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 สินค้านั้นก็คือเราตื่นจริงไหมแต่อย่างนี้ถือว่าลูกตื่นหรื อ, อยังเจ้าค่ะอย่าสนใจตรงนี้นะแต่ถือว่ารู้สึกตัวเป็นแล้ว อ, อรู้สึกได้บ้างนะนก็ะตื่นได้ทีละแว็บแหล ะ, ะไม่ตื่นนานแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยังจงใจที่จะรู้สึกตัวถ้าจงใจรู้สึกตัวยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงเจค่ะกรับมาขอบคุณเจ้าค่ะเวลาถามหลวงพ่อว่าตื่นหรื อ, อยังนะหลวงพ่อจะต้องสํารวจก่อน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 มันเป็นแค่ต้นทางาตื่นขึ้นมานะตื่นบ่อยๆนะตื่นบ่อยๆได้เพราะอะไรเพราะว่าหลับบ่อยๆ <laughs> ถ้าหลับหนึ่งครั้งก็ตื่นหนึ่งครั้งใช่ไหมหลงไป10ครั้งก็คือรู้สึกขึ้นมา10ครั้งหลงบ่อยๆแล้วก็รู้สึกขึ้นมาพอ ร, รู้สึ ก, กเรียกว่ารู้สึกตัวบ่อยจนะิตไหลไปในความคิดหนึ่งนาทีรู้สึกแล้วว่าหลงไปคิดนะต่อมา10วินาทีก็รู้แล้วว่าหลงไปคิดต่อมา2วินาทีก็รู้แล้ว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 อิดฟงซานหรืออะไรก็ตามก็หายไปตัวนี้จะเกิดจากวิบากกรรมห ร, หรืออะไรหรือเปล่าครับส่วนมากนะถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่เป็นแนตะ่พอเราปฏิบัติแล้วถึงจะเป็นเนะี่ยเกิดจากการบังคับตัวเองพยายามจะรู้ให้ชัดพยายามจะให้จิตนิ่งจิตสงบนะบของโยมเนี่ยยังคุ้นเคยที่จะควบคุมจิตให้นิ่งกรรมาฐานเก่าวๆที่ฝึกเนี่ยจะโน้มไปในทางทําให้นิ่งอยู่ครับต้องแก้ยไังไงครับโยมพยายามเคลื่อนไหวไหม คือคนเนี้ยพอรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะพออายุห้าสิบขึ้นเนี่ยให้ไปนั่งสมาธินานๆเนี่ยใช้ไม่ค่อยได้ถ้าไม่ไปเพ่งไว้นะาก็จะหลับไปง่ายๆแล้เรากระดุกกระดิกไว้คือก่อนหน้านี้เนี่ยปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์พอเวลามีสมมมีปัญหาความคลิกคาต้องคิดต้องเครียดอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมานั่งแล้วก็ทำให้มันดิ่งนะครับก็ดีนะได้สมถะ เพิ่งจะมาเข้าใจว่าจะต้องตามรู้ตามดูครับใช่ครับกรับขอบพระคุณครับอจารยมหาบัวท่านบ่นนะว่าหลังๆมันมีแต่เรื่องสมาธิทำไมมันไม่มีเรื่องเจริญปัญญาครูบาอาจารย์ก็บ่นนะเพราะงั้นพวกเราโดยเฉพาะเราลูกศิษย์วัดป่าด้วยกันนะเราเพ้องหัดเจริญปัญญาให้เยอะหัดรู้สึกตัวให้เป็นจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเป็นคนดู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 ว่าไงต้อมไม่มีใครถามต้อมก็ถามตัวเองได้ <g rab> นะกราบนมัศการหลวงพ่อคะ่ะคือฟังซีดีมาระยะหึแล้วอะนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าใจคําว่าจิตหลงไปคิดนะคะคือว่าเหมือนกับเรารู้เรื่องที่คิดไปสักพักนึงเราถึงจะรู้ตัวถูกหรือเปล่าคะ่ะใช่เรารู้เรื่องที่คิดนะในขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ <c oughs> เคยไหมเห็นคนโทรศัพท์ไหมโทรไปโทร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 นะความโมโหผุดขึ้นมาเรารั่ว่าโมโหอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้าสมมติเราอยู่ๆเราก็ไปนั่งนะจ้างคนมากว้างหัวเรานะเรานั่งแล้วเราก็คอดูซิว่าเมื่อไหร่จะโมโหมันกว้างก้อนหนึ่งก็ไม่โมโหสองก้อนก็ไม่โมโหอันนี้ไปเพ่งไว้อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะอีกอย่างหนึง่งใจลอยนะพูดอะไรเพ ล, ลินเลยยุงกัดไป50ตัวยังไม่รู้สึกเลยนะนี่ก็เรียกว่าลืมตัวเหมือนกัน อีกเรื่องหนึงนะคะหนูรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิง่ายอะคะ่ะควรจะนั่งสมาธิไหมคะควรจะเดินให้เยอะๆของคุณโมะหะเยอ ะ, ะจิตจะซึม ง, ง่ายเพราะงั้นถ้าจิตซึม ง, ง่ายต้องไปเคลื่อนไหวไว้ฮัลโล่ะอย่างเวลาเรากโกรธนะคะอะไรนะอย่างเวลาเรากโกรธนะคะเรารู้ตัวว่าโกรธเรื่องเรื่องนี้นะคะอพอเรารู้ตัวมันก็หยุดพออีกสักพักหนึ่งก็จะขึ้นมาอีกเรื่องเดิมอะคะอ่ะเนีเพราะว่ามันยังไม่ไม่จบจิตมันยังตรึกในเรื่องนั้นอยู่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 ไหนๆคนไหนเอาว่าไปการสมัตรการของพ่อครับเดือนหน้าผมจะบวชแล้วนะครับถามว่าตอนนี้จิตผมพร้อมยังไงกำหนดจะบวชแล้วมาถามว่าพร้อมไหมหมายถึงว่าตื่นภาวนาเป็นไงบ้างนะคือถ้าบวชก็ต้องพยายามดูตัวเองให้เยอะอย่าดูคนอื่นนะอย่าไปจับผิดพระอื่นนะดูตัวเองเยอะๆไว้ครับผม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 ถ้าดูทั้งกายดูทั้งจิตไม่ได้นะ ก, ก็ไปคิดพิจารณาธรรมะหรือไปทําความสงบอย่างอื่นขึ้นมาเป็นเวลาของการทําสมถะนะถ้าจิตสงบแล้วก็อย่าวนแต่คิดนะเสียเวลาแล้วปัญญานี่สามารถจะเกิดจากการเราคิดพิจารณาธรรมะได้หรเปล่าครับได้แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดเรียกว่าจินตามายปัญญาไม่ฆ่ากิเลสต้องเป็นภาวนามายปัญญาถึงฆ่ากิเลสนะจับกับปรากฏนะ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 แต่บางทีจิตเนี่ยเราอยู่แบบนิ่งๆแต่เรากําหนดอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เราทําอย่างเช่นเรานั่งอยู่ยืนอยู่เราทําอะไรอยู่เหมือนที่อาจารย์รู้สึกที่ที่ที่บอกว่ารู้สึกตัวครับขอบคุณครับคืออย่าจงใจก็แล้วกันนะลดความจงใจลงแล้วก็ให้สติมันเกิดขึ้นเองนะเดี๋ยวฟัง C ีดีหลวงพ่อนะจะมีเยอะเลยเรื่องที่ให้สติเกิดขึ้นเองนะี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 แล้วก็โทสะเกิดงา่ายเออดูดีแล้วที่รู้ว่าโทสะเกิดอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้อยากก็ให้รู้ว่าอยากเนี่ยไม่มีอะไรนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตขนาดนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันเ <คะ S 1> มืเ่อกี้มันตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งนะตอนนี้กลับไปทื่อๆ อ, อ, อีกแล้วดูออกไหมอย่าไปกดให้มันทื่อๆนะหนูต้องฝึกยังไงคะฝึกความเข้มแข็งไว้ไน ะ, อ, ะอย่าขี้อ้อนมากวันนี้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 แล้วความง่วงล่ะคะคือ<ร>าบา ง, งทีรู้สึกว่าเอ๊ะมัอนเราบอกเออเรารู้นะว่าเราเราเราเหมือนง่วงเหงามันเป็นเหมือนซึมเหมือนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าบางทีเป็นระยะเนื่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามกระดุกกระดิกไว้นะจิตเรามีโมหะเยอะมันก็ง่วงง่ายค่ะกระดุกกระดิกไว้เส้นไหว <นะ S 1> ขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่มาฟังธรรมจากหลวงพ่อนะคะ ก็เลยจะขอคําแนะนําหลวงพ่อค่ะปกติโดยที่ผ่านมาเนี่ยชอบอ่านหนังสือธรรมะมากแต่ในความเป็นจริงไม่มีเวลาอ่านมากอแต่โดยพื้นฐานก็พอมีความรู้ธรรมะบ้างอะนะฮะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ถือศีลชอบจดมลมากอืจะขอคําชี้แนะของหลวงพ่อก็ดีแล้วที่ทําอยู่ก็ทําต่อไปนะแล้วก็เพิ่มการสังเกตใจของเราลงไปใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลย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 สองอาทิตย์จะเอาอะไรให้เขาฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะจนเขาปฏิบัติเป็นซะก่อนแล้วค่อยเอาไปบวชอย่างภาวนาไม่เป็นไปบวชนะทรมานเปลาๆค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวก็เวลาเราศึกษาธรรมะนะเราวางความคิดลงไปทิ้งความคิดความเห็นทั้งหลายความเชื่อทั้งหลายนะปล่อยมันไป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 ด้วยการคิดเอาเพราะว่ารู้ว่ากายกัจใจปัจจุบันไม่เหมือนกายกับใจเมื่อก่อนเนี่ยสมยตามคิดเอานะสูงสุดมันไปได้แค่นี้เองนะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาคือไม่สามารถขึ้นสู่อุทย พ, พยาัญาได้อุทย พ, พยัญญ า, ยานเนี่ยใป็นการที่จิตมันหลุดจากความคิดแล้วมันมาเห็นความจริงของกายของใจว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนะี่ยถึงจะเป็นวิปัสสนาตัวแท้นะ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 หรือเซลลเยอะๆเพราะบางครั้งเราไม่ชอบกับสิ่งเหล่านี้ให้รู้ทันนะมันน่าเกลียดเวลาที่เซลล์เกิดเนี่ยนะมันน่าเกลียดมากเลยนะมันหลงตัวเองมันนึกว่ากูแน่กูหนึ่งอย่เงี้ยให้รู้ทันลงไปแล้วจะเห็นว่ามันน่าขยะขยะงมากเลยมีลูกติดหลวงพ่อคนหนึ่งนะเมื่อก่อนนอนยังไม่บวชนะเวลาเดินจงกรมนะชอบเดินกอดอกเยงคอหน่อยหนึ่งนะเยงเซลล์จัดที่สุดเลยนะ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 งั้นต้องให้เห็นทุกเห็นโทษของมันจริงๆนะถึงจะละได้เพราะว่าตัวเซลเนี่ยตัวน่าเกลียดตัวปิดกั้นการเจริญปัญญาบางทีมันก็คิดว่ากูรู้แล้วหรือบางคนคิดถึงขนาดว่าเราไม่ต้องฟังทำก็ได้เราจะค้นหาด้วยตัวเราเองทั้งๆที่ไม่ได้เป็นพุทธภูมินะเนี่ยเซลจัดว่ากูก็แน่ว่าเจ้าชายสิทธัตถายังทําได้กูก็ทําได้เหมือนกันถ้ารู้ลงไปนะจะเห็นว่ามันน่าเกลียด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 สัพเพปูเรนตูสังกป่าจันโดปันร า, าสโสยทามานิโชติราสโสยทาสัพีตีโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินสัสตุมาเตภวัตวันตาโยสุขีทีกายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุธาปจายินโนจตตาโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง